เราเห็นทั้งสองมุมมุมที่เป็นกุศลและอกุศลมุมที่ดีและไม่ดีหมายความว่าดูตัวเองออกอะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมองตัวเองในลนะักษณะเข้าข้างใช่ไหมคือคือไม่ดูด้วยความเป็นธรรมแต่ น, นี้หลังจากที่เราได้ฝึกสติมาจนเป็นที่เข้าใจระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะดูตัวเองตามความเป็นจริง คื่ในส่วนที่เรายอมรับตัวเองได้ก็มีส่วนที่เรายอมรับตัวเองไม่ได้ก็มีแต่เราจะส่วนที่ยอมรับตัวเองไม่ได้เราก็จะหาเหตุว่าเรามีอะไรบ้างที่เราควรจะแก้ไขส่วนที่ส่วนที่ตัวเองได้ทำอะไรดีๆไว้เยอะเนี่ยเราจะมีวิธียังไงทำต่อรักษาไว้ให้มันมั่นคงอันนี้คือวิธีการการตรวจสอบการปฏิบัติตัวเองถ้าเราคอยดูสองจุดให้สมดุลกันนี่ ชีวิตเรามันจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีใครต้องการทุกข์ต้องการโรคไปแค่เจ็บต้องการตกอับต้องการาถูกทําร้ายเบียดเบียนทั้งกายทั้งใจนี่ไม่มีใครต้องการแต่ทําไมเราต้องโดนอยู่เรลยก็เพราะส่วนหนึ่งคือเราไม่ไม่มีความ อ, าอะไรนะไม่มีความชานาญทางด้านาดูแลตัวเองพอเราก็ถูก กระทำหลายๆรูปแบบนั้นคนอื่นไม่ใช่คนอื่นกระทำเราหรอกกิเลสของเราเองทำเราเองก่อนเมื่อกิเลสตัวเองทำเราเองคนอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงมันจะต้องทำได้นะพอไฟมันจะเข้าบ้านไม่ใช่จูจ่ๆมันจะเข้ามันจะต้องมีเชื้อนี่นำเข้านะฉันใดก็ดี ปัญหาภายนอกทั้งหมดที่มันจะเข้าสู่ใจเราได้เนี่ย จ, จู่ๆไม่ใช่จ ะ, จะเกิดขึ้นแต่อยู่ที่ใจของเราไปนําเข้ามาเองเพราะฉะนั้นการภาวนาเป็นการป้องกันเหมือนกับเรารู้ว่าไฟมันต้องเข้าเนี่ยวิธีที่จม่ให้ไฟเข้าบ้านทําไงทําแนวกันไฟเตรียมน้ําแล้วก็ตัดความเสี่ยงทั้งหลายทั้งปวงที่จะนําไฟมันสู่บ้านเรา ก็เช่นเดียวกันปัญหาข้างนอกคือปัญหาข้างนอกแต่ปัญหาข้างนอกจะมาเป็นปัญหาข้างในใจเราเนี่ยมันจะต้องมีตัวนำตัวสื่อสื่อที่ดีที่สุดก็คือความอยากกิเลสของเราเนั่นเองมันก็เป็นตัวนำเข้ามาเพราะฉะนั้นเราสามารถควบคุมกิเลสเราได้ด้วยการใช้หลักของวิปัสสนาเนี่ยซึ่งถ้าหากว่าเราใช้ได้ตัวนี้แล้วนี่เราก็จะกลายเป็นคนที่มีความ สุขมากขึ้นมีความทุกข์และปัญหาน้อยลงเรื่อยๆนะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนของโลกอยู่กับใครก็ตามก็ เ, เราก็ยังมีครอบครัวผัวเมีมีทรัพย์ ส, สินสมบัติมีการงานอะไรปกติแต่เราไม่ทุกข์เราบางคนก็อ้าว อ, อยู่ครอบครัวนี่ยากสา wan, wan, มีลูกกวนลูกลูกวนเมียลูกวนแฟนลบกวนคนนั้นคนนี้ลบกวนเนี่ยความจริงไม่ใช่อ่ะเขาไม่ได้ลบกวนแต่เรา ป้องกันตัวเองไม่เป็นดังนั้นพราะนั้นจะไปป้องกันเขาไม่ได้แต่ป้องกันป้องกันตัวเองเนี่คืออย่างไรเราต้องไปศึกษาจากวิปัสสนาแล้วเราจะรู้เองนะซึ่งเป็นศาสตร์ที่ศาสต า, าไหนในโลกไม่สอนนอกจากพุทธศา พ, พุทธเจ้าของเราแล้วก็นําสืบทอดกันมาสิ่งที่เป็นเครื่องมือสําคัญที่สุดเราจะต้องมีพลังจิตที่เข้มแข็ง น, นี้คือมือที่สําคัญเหมือนกับเรามีอาวุธที่ดีเมื่อเรามีอาวุธที่ดีเนี่ยเข้าป่าพงดงเสือเนี่ยเราจะไม่รู้สึกกลัวใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีอาวุธที่ดีเนี่ยจะว่าแต่เข้าป่าดงพงเสือไปป่าละมอเล็ ก, เ ล, กเล็กก็ยังกลัวเลยเทั้ะนั้นเราจะทำไงให้มีพลังจิตพลังใจมีพลังสติปัญญาที่เข้มแข็งเนี่ยต้องไปฝึกเอาเท่านั้นเราจะไปซื้อไปขอเป็นแพ็กเกจแบบ สมัยใหม่นี่ไม่ได้ละแต่เสิวนี้วิชาการแบบเป็นแพ็กเกจมันก็มีนะลักษณะเป็นจิตวิยาข้อนั้นข้อนี้ที่เขาจัดกันใช่ไหมโดยเฉพาะที่ อ, อเมริกันเนะี่ยเขามีเยอะไอ้ไซโครดูีแล้วเดี๋ยวนี้เขามาขอดกรรมาฐานคนมีกันเขาก็จัดคอดกรรมาฐานเก็บค่าคอดแพงๆด้วยนะหลังจากที่เขาไปเรียนรู้จากเรามาเขาก็มาทําเป็นบิสเนสเพราะว่าวิถีชีวิตเ้าต้องทําแบบนั้นถ้าไม่ทำจะมาทําแบบฟรีแบบบ้าเราไม่ ไ, มได้ค่าใช้จ่ายสูง แล้วต่อไปการยกมือแบบนี้คนุนตะวันตกก็จะไปเปิดอุรมสอนทอนธรรมนออกแล้วแหละเพราะเขามีเทคโนโลยีสูงกว่าเราเขาจะชี้ให้เราเห็นถึงอะไรต่างๆได้ชัดกว่าเราเพราะเขาใช้หลักวิทยาศาสตร์พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์มันเป็นหลักเหตุอันเดียวกันด้วยที่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ชํานาญในด้านนี้เราก็ต้องไปเสียเงินเขาคอร์สซื้อเทคโนโลยีของเขาอีกเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องศึกษาไปก่อนเขา แล้ ว, ล ว, ลวเรื่องเทคโนโลยีที่เป็นวัตถุภายนอกเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้เช่นคนไหนที่มีความรู้มีการศึกษาก็ใช้มิยมคนหนึ่งชื่อออกชื่อแกยุมเล็กนะแกเอาหนังสือแามาไปอ่านเนี่ยแต่งานนี้เสียดายว่าเราหนังสือมันไปหมดที่เชียร์กคาโก้ก็เอามาหนังสือมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าที่จูา่าที่เชียร์กัโก้เขานี่มาถึงนี่ก็หมดพอดีเลย แต่ว่าอจะโอกาสต่อไปอจะได้เอามาคือแกอ่านหนังสือธรรมานหนังสือเล่มนึนเงเล่มมอบรักเดยทํามแกไปอ่านอย่างครขะห์วใจักไ่เจอตัวกันนะแกซื้อจากล้านหนังสื อ, อเอามาก็อ่านซื้อมาสี่กว่าเล่มนละแต่ว่ามันไม่มีเวลาที่จะบริหารจัดการตรงนั้นอ่านแล้วก็ติดตามพระธรรมาติดตามพมาเพราะแกเป็นครูสอนมัธยมอยู่ที่กรุงเทพก็มา ศึกษาแล้วฝึกมาฝึกก็ฝึกได้สัก4ี่หปีมา่นี้ตอนนี้แกกับเป็นคนเอาหลักวิชาครูของแกเนี่ยมาประยุกต์สอนการเจริญสตินปรากฏว่าเดี๋ยวนี้พวกเด็กหนุม่มเด็กสาวอะไรเข้าคอร์สเข้าเรียนอ้ก่กจะใช้โปรเจคเตอร์ใช้วิธีการแบบเรียนสอนในโรงเรียนเลยระยะวันที่หนึ่งที่สองที่สสอนเรื่องวิธีการแก้นวอนแกง่วงแกงเอาแก้อะไรต่าง เขาก็แก้ตามหลักวิชาพอแก้ได้สาวันวันที่สห้าก็เบาสบายเขาก็ได้อารมณ์อันนี้เพราะฉะนั้นพวกเราเคยทำอาชีพอะไรมาก็เอาอาชีพ น, นั้นแหละมาประยุก์ใช้ในการฝึกสติแล้วก็เวลา <c oughs> ต่อไปก็จะสามารถที่จะถ่ายทอดการฝึกสติ ใ, ให้คนอื่นด้วยการใช้วิชาและประสบการณ์ที่เราเคยมีนะนยงยมพิกลที่ แกดูแลแพระอรหันต์แส่งเทียนแทนธรรมาทุกวันนี้แก ก, ก็เป็นแม่ครัวเป็นแม่ค้ามาก่อนหลังจากแกเจริญสติธรรมาหลายปีจนเข้าใจแล้วแกก็ดูแลนักปฏิบัติเปิดคอดทุกเดือนตั้งแต่วันที่หนึ่งถึง ว, ว, วันที่สิบเดือนละสิบวันสิบวันใครไปมืองไทยก็ไปเข้าคอได้แกที่แสงเทียน แ, แสงเทียนธรรมาก็ไม่ห่งวงเพราะเขาดูแลกันได้ละเนี้ยก็เอาวิชาแม่ค้าวิชาแม่ครัวมาทําครัวมาบริหารจัดการภายในวัดได้ดี การก่อสร้างอะไรต่างแกจัดการเองหมดพระไม่ต้องลาบากพระมีหน้าที่ปฏิบัติอย่างเดียวอือาหารคนส่วนหนึ่งมากก็เรียมาติดรถอาหารแกนั่นแหละก็เป็นแม่ครัวมือหม้อปดนแม่ครัวหม้อป่าบางคนเคยทําร้านอาหา ร, รอะต่างนคนก็มาอย่างน้อยไม่ได้อารมณ์กรรมฐานก็ได้มากินอาหารอร่อยกินฟรีด้วยนะอาหารอร่อยได้กินฟรีเยอาไงส่วนจะใครบริจาคไม่บริจาคไม่มีปัญหา แต่ขอให้มาปฏิบัติเท่านั้นเลยดูแลจัดการพอดีโยมที่ก็มีอันจะกินเขาก็มาสร้างปุติสร้างอาคารที่พักอะไรให้อืลงทุนเป็นทีนี้เห็นว่าไปเชียงรายตรงนี้มีโยมคนหนึ่งที่แกเป็นเจ้าของหมู่บ้านที่เชียงรายเนี่ยเขามีที่อยู่ที่เชียงคําก็เลยพากันไปดูจะไปเปิดที่นั่นอีกสาขาหนึ่งนีไ่ไหมโยมมีประสบการณ์มีความสามารถดีกว่าพระแต่ขอให้ทําจริงเท่านั้นเอง ยกเมืองไทยถ้าหยบสมพรนี่ไปอยู่เมืองไทยปุนนี้มาสร้างสํานักให้เรียบร้อยแล mm ้ว hmm. แต่มาอยู่นี่แพงเลยเกินสร้างไม่ไหวอันนี้เห็นว่าคุณวณิสาจะลงทุนเนาให้ไม่รู้ว่ามาจะไหวหรือเปล่านะเพราะพระในทางเนี้าหายากพระที่ชนานาญทางด้านนี้ mm hmm. ก็เลยว่าคุยอาจารย์ประสันว่าต่อไปอาจารย์ชาอาจารย์ชาณธรรมมาช่วยอาจจะเป็นไปได้ อาจจะไปสานงานจัดบริหารจัดการเยอะหรืองเกินอ่ะเนาะแต่พระดีช่วยงานเมื่อดีไม่มีแต่ว่าโครงการใหญ่หรืองเกินมีอะไรวิวัฒนากรรมฐานแต่ว่าคนทีมงานไม่ไม่พร้อมทําไปไม่ได้เพราะนั้นพวกเรานี่แหละจะเป็นทีมงานได้แต่คให้ฝึกอย่างจริงจังเพราะเราจะไปพึ่งพระนี่ยากแล้วทุกวันเนยอุปสรรคมันเยอะมีมานเยอะถ้าหากบวผมผ้าเหลืองแล้วเนี่ยมันล่อไปกินหมด ของพระเอามาก็เสียไปหลายเสียทหารเอกไปหลายคนเหมือนกันมาณรอบยินเยียวหมดแต่เป็นชาวบ้านในี่ผ่านมานประเภทนั้นมาแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรรบกวนแวะก็จะมียากคุณละแบบแต่นั่นกานที่เราจะเข้มแข็งขนาด น, นั้นเราก็จะมาฟังยุมสุมพรว่าเขามีการเก็บอารมณ์ตัวเองที่บ้านอย่างไรอะไรต่างๆนี่สุพรจะเล่าให้ฟังเขเชิญหนังมา